แนะนำบทอัลยาซิยาบทอัลยาซิยาเป็นบทมัคคิยะมี37ดโครงกาลซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักการอิสลามในวงกว้างคือการศรัทธาต่อลอและความเป็นเอกภาพของโรมการศรัทธาต่ออัลกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมมัดการศรัทธาต่อวันอาทิรอ การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเชือจะกล่าวได้ว่าจุดสำคัญของบทคือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลลลูกบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในอาณาจักรของพรงผู้ทรงปรีชาญาณในการสร้างของพรง ซึ่งทรงประธานคำภีอันทรงเกียรติของพระองค์มาเพื่อเป็นความเมตตาแก่บวงเบา่าและเพื่อเป็นดวงประที่เป็นไฟส่องทางแห่งความสันติสุขและความดีแก่มนุษยชาติบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณทั้งหลายแห่งจักรวาลซึ่งเรียงรายอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้เช่นในบรรดาชั้นฟ้าสวยงามก็มีสัญญาณในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีสัญญาณ ในการสร้างมนุษย์และปราสุสั์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายก็มีสัญญาในการสับเปลี่ยนเวลากลางคืนและกลางวันก็มีสัญญาในการให้ลมพัดและมีฝนตกลงมาก็มีสัญญาทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลลอเดชานุภาพของพระองค์และความเป็นเอกภาพของพระองค์แล้วบนได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอาน ซึ่งพวกเขาได้ฟังองค์การต่างๆของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการยิ่งยักษโสและฝ่าฟบทนี้ได้กล่าวถึงความโกรธปรานอันมหาศาลของอัลลอฮ์ต่อพวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์และให้ควรถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งทงที่พวกเขารู้ดีว่า อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปรานทั้งหลายนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งในที่แจ้งและที่ลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประทานปัจใจอ ย, ย่างชีพอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่วงวานอิสรอเอลอย่างมากไปแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปรานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและฝ่าฝืน บทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้นที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตอบแทนโดยแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกพวกที่หนึ่งอยู่ในสวนสวนรรค์อีกพวกหนึ่งอยู่ในนรกยา น, นาบทอัลยาเซียถูกขนานนามเช่นนี้ เนื่องจากความหวาดกลัวที่มนุษย์จะพบกับมันในวันแห่งการชำระบัญชีโดยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาจะอยู่ในสภาพคุกเข่าอันเนื่องมาจากความกลัวเพื่อรอคอยการชำระบัญชีมนุษย์จะงุนงงเนื่องจากความหวาดกลัวโดยไม่คาดคิดมาก่อนเลยเป็นความจริงทีเดียวมันเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนจนกระทั่งเด็กๆจะกลายเป็นคนแก่ เพราะการเปลี่ยนแปลงสีของผมบนศีรษะของพวกเขานั่นเองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามิด คำพีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอาลัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายาติแท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณอันหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแท้จริง และในการบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์แต่และชลิดแพร่สพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้เชื่อมัน และการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและสิ่งที่ลระองค์ทรงหลั่งลงมาจากฟากฟ้ า, าเพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพนั้นพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาโดยน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันและการเปลี่ยนทิศทางเดินของลมย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้สติปัญญา ق, นั่นคือสัญญาณต่างๆของัลลอ h ซึ่งเราได้สาธยายมันแก่เจ้าด้วยความจริงดังนั้นด้วยคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากัลล a h และสัญญาณต่างๆของพรุงที่พวกเขาจะศรัทธากัน วความหายานณะจงประสบแก่ทุกคนที่โกหกชอบทำบาปย่สมส่อายติลลฮิตุฎลาอัลัยฮิทุมมายุิึบุสักซรันแค่ลัมย่สม่ฮาฟาบัชิดฮบิอลดาบิอาลีมขาได้ฟังบรรดาองค์การของลอตได้ถูกสาทยายแก่เขา แล้วเขาก็ดื้อรันยะโสโอหังประนหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังบรรดาองค์การนี้มาก่อนเลยดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดและเมื่อเขาได้ทราบสิ่งใดจากบรรดาองค์การของเรา เขาก็ถือเอาบรรดาองค์การนั้นๆเป็นการล้อเลียนชนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษนน ا, อ, น อ, นอันอัไปยุบ เบื้องหลังของพวกเขาคือนรกยานน์และสิ่งที่พวกเขาขนขวายไว้จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้และสิ่งที่พวกเขาคือยึดถือเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์ก็จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเช่นกันและสําหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง นี่คือทางนำที่ถูกต้องส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเจ็บปวดัลลอฮฺละบิซฮระละคุมัลบะฮ์ระลัจริยัลฟุลคุฟีบัอมรี ะ l l ล h คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าเพื่อเรือเดินสมุทรแล่นไปตามน้านน้ำโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ และพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกจเจ้าโดยทั้งหมดนี้มาจากพระองค์ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ไข้ขุดจงกล่าวเถิดแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอภัยแกบ่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอลัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่กลุ่มชน กาผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผูดด้ใดกระทำความชั่วก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเองและพวกเจ้าก็จะกลับไปยังท่าผู้อภิบาลของพวกเจ้า และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำเพียงและข้อชี้ขาดและการเป็นนบีแก่วงวานอิสรอเอนและเราได้ให้ปัจจัยอย่างชีพที่ดีดแก่พวกเขา <سيطور> <وبينات من الأمر> <وبينات من الأمر> <فما> وَأَسِينَهُمْ بَيْنَهُمْ مِنَ <إن> ا ل ْ أ َ م ر ف م َ ق ْ ت َ ل َ ف و ا إ ل ا م ِ ن ب َ ع د مَا ج ا ء َ ه ُ م ا ل ع ل ْ م ُ ب َ ي ا ب َ ي ن َ ه ُ م إ ِ ن ر ب َ ك َ ي َ ق ض ي ب َ ي ن َ ه ُ م ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ِ ف ي مَا ك ا ن و ا ف ِ ي ه ي خ َ ق ْ ت َ ل ف ُ و ن และเราได้ประธานหลักฐานนันชัดแจ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเว้นแต่หลังจากได้มีความรูม้มายัางพวกเขาแล้วอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขากเองแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันเกียรมะในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกัน ها, ت ت เราได้ตั้งเจ้าให้อยู่ในแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาดังนั้นเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางนั้นและอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของผู้ไม่รู้ทั้งหลาย แท้ ي ي ا إ จริงพวกเขาไม่อาจจะช่วยให้พวกเจ้าพ้นจากอัลลอฮ์แต่อย่างใดและแท้จริงพวกอาธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยั่งรื อัลกุราณเป็นแสงสว่างแห่งมวลมนุษย์และเป็นทางนำที่ถูกต้องและความเมตตาแก่กลุ่มชนที่มีความเชื่อมัน วาหรือบรรดาผู้กระทำความชั่วคิดหรือว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเช่นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทาความดีทั้งหลายให้เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและเวลาตายของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาตัดสินนั้นมันช่างชั่วช้าแท้แท แล้วเราทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเพียงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตจะรับการตอบแทนตามที่ได้ขนขวายเอาไว้โดยพวกเขาจะไม่ถูกอารรมแต่อย่างใด ถ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหม และเราจะส่งให้เขาหลงทางด้วยความรอบรู้และสรงผนึกการฝังของเขาและหัวใจของเขาและสรงทำให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่พวกเขาหลังจากอลัลลอฮ์พวกเจ้าไม่ได้ไข้ครวญกันดอกหรือ และพวกเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายและเราจะมีชีวิตอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้นอกจากการเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอกนอกจากการคาดการณ์เอาเท่านั้น และเมื่อองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาพ่อขัดแย้งของพวกเขาก็ไม่มีอะไร นอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนำบรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดชิงจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตและทร ง, งให้พวกเจ้าตายและพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าในวันกิยามะอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์ วันอวสานจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับละเจ้าเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเขา่า ทุกชนชาติจะถูกเรียกมาตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้นี่คือบันทึกของเราจะพูดถึงเรื่องของพวกเจ้าในความจริง แท้จริงเราได้ให้บันทึกตามที่เจ้าได้กระทําไว้ดังนั้นบรรดาผู้ศัทธาและกระทำความดีพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์นั่นคือความสำเร็จอันชัดแจ้ง และส่วนบรรดาผูา้ปฏิเสธศรัทธาองค์การต่างๆของข้ามีได้ถูกอ่านแก่พวกเจ้าดอกแต่พวกเจ้ายะโส โ, โอหัง และพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด و إ إن وعد الله حق و ا س ا ع ة لا غيب فيها قلتم ما ن د ر ما الساعة قلتم م ندري ا ل س إن ظن إلا ظنوا م ا نحن ب م س ت س ي และเมื่อได้มีการกล่าวว่าแท้จริง สัญญาของอล้อนั้นเป็นความจริงแล้ววันอวสานนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าวันอวสานคืออะไรเราคิดว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นการคาดคะเนเท่านั้นและเราไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ และความชั่วที่พวกเขาได้กระธรรมเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเยอะอย่างไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ وطيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าวันนี้จะลืมพวกเจ้าเช่นที่พวกเจ้าได้ลืมการพบในวันนี้ของพวกเจ้าและนรกคือพี่พำนักของพวกเจ้าและสําหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ เช่นนั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดเอาองค์การต่างๆขอลอกเป็นที่ล้อนเล่นและชีวิตในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเจ้า ดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนารกและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวใหม่อีกแทนนั้นการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลหอพระผู้อภิบาลแห่งหบรรดาชันฟ้าและพระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดิน พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและความยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชายา